ไม่มีไฟใดเสมอด้วยราคะไม่มีโทษใดเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกใดเสมอด้วยเบญจขันไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบพุทธวัจนะ เอามาทําชีวิตให้ใหม่ชีวิตที่ใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นชีวิตที่มีความสุขเราจะสังเกตว่าอะไรก็ตามที่เป็นของใหม่ก็จะดูมันสวยสดงดงามดูแลมันสดชื่นเราก็เหมือนกันเราอยากจะเป็นคนใหม่อยากจะสดชื่นอยากจะมีความสุขเราก็ต้องทําชีวิตให้ใหม่ให้มันใหม่ทุกวันไปอยู่เสมอเสมอ อ, อยู่เสมอๆความสดใสเบิกบานนั้นจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่จากสิ่งที่เป็นเรื่องเก่าๆเราต้องทำให้เราใหม่เสมอๆจะทำอย่างไรชีวิตที่ใหม่นั้นต้องเป็นชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันความใหม่ของชีวิตต้องทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันคือใหม่แท้ๆที่ครูบาอาจารย์บางท่านทขาเรียกว่า ชีวิตสดๆดเคยได้ยินไหมเราไม่จะคิดเอานะอันนี้มันมีจริงความสดความใหม่ของชีวิตเนี่ยมีได้จริงๆรงดูปัจจุบันที่เรากำลังฟังธรรมะกาลังทำอะไรอยู่ก็ตามนี่แหละคือชีวิตใหม่เห็นความใหม่ของกายที่มันกาลังเคลื่อนไหวไปมาไหมถ้าใครยังไม่เห็นความใหม่ในขณะที่เห็นกายเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยอันนี้แสดงว่า เราไมไ่อยู่กับปัจจุบันแล้วมันท่านอาจจะสงสยัยว่าเอ๊ะเหมนมันใหม่เลยเลยเราก็เหมือนเดิมเพราะคำว่าเหมือนเดิมนี่แหละมันก็ยังไม่ใหม่ไอเดิมๆมาลืมไปเถอะเถอเราลองมาดูอยู่กับปัจจุบันตรงนี้ทิ้งอดีตแปล้งลืมลืมไปซะบ้างชีวิตเราเนี่ยถ้าเก็บอดีตมาทั้งหมดเนี่ยมันรอกจิตรอกใจนะมันไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ปัจจุบันเราลองมาดูปัจจุบัน ปัจจุบันนี้มันใหม่อยู่เสมอๆนะมันใหม่กว่ามือถือรุ่นใหม่หรือรถยนต์รุ่นใหม่นะมือถือรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องคิดออกมาแล้วก็ผลิตขึ้นมาเราเห็นในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ใหม่แล้วมันมาจากอดีตแต่ถ้าเราดูที่ตัวเราเยเจ็นความใหม่ที่ตัวเราดูเอาเถอะแม้แต่อารมณ์หรือความคิดสิ่งที่มากระทบทางตาต้องหูเราเนี่ยมันใหม่ แล้วมันก็ดับไปมันมีขึ้นแล้วมันก็ดับไปหายไปละเสียงแต่พอมีเสียงเกิดขึ้นปั๊บนี่ไงเสียงใหม่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดับไปแม้แต่ความคิดนึกต่างๆความคิดนึกเนี่ยมันไม่ได้คิดตลอดทั้งวันหรอกครับมันคิดแล้วมันก็มีช่วงที่ขาดหายไปเรื่องราวต่างเนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องเดียวในขณะปัจจุบันบทีวันนึงคิดหลายเรื่องหลายราว มันที่เรานับไม่ทันแต่ไม่ต้องไปนับพราะว่ามันคิดอ๋อมันคิดแหละมันดับไปกับปล่อยมันไปความคิดหรืออารมณ์ต่างๆที่มากระทบต่างๆทัางหูเนี่ยมันก็เกิดเกิดดับๆับเกิดเกิดดับดับอยู่นี้แหละเราจะเห็นความคิดเห็นธรรมะหรือรูดแย้งธรรมะได้ก็เพราะที่อารมณ์ปัจจุบันความเป็นปัจจุบันเนี่ยนอกจากจะทํำทิ้งให้เราใหม่แล้วเราจึงเห็นอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้น หรือมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปที่เรียกว่าความไม่เที่ยงเราต้องอาศัยสติต้องมีสติอยู่เสมอๆสติจะเกิดขึ้นได้เสมอๆนั้นเราต้องสร้างผลิตขึ้นอยู่เ น, นืองให้ดอนเนื่องกันนานๆนึกขึ้นได้ก็ให้มีสติทันทีเลยสติสามารถพาจิตพาใจเราเนี่ยลุยโลก โลกอะไรโล ก, กธรรมโล ก, กธรรมแปดมีลาบเสือมลาบมียศเส่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์อันนี้คือโล ก, กธรรมสติจะพาจิตเราเนี่ยลุยโล ก, กธรรมแปดโดยเฉพาะโลกคือความคิดเนี่ยสคัญมากมันคิดไปในทางการมาราคะ อันนี้ก็คือโลกมันคิดไปทางปฏิฆะคือความอึดอัดขัดเคืองอันนี้ก็คือโลกความพยาบาทเบียดเบียดพวกนี้คือโลกทั้งนั้นะสติต้องทําหน้าที่พาจิตพาใจของเราเนี่ยให้ลุยผ่านพ้นไปให้ได้เมื่อจิตที่มันลุยผ่านพ้นโลกไปแล้วเนี่ยจิตมันจะสงบนะมันจะเป็นสุขอยู่ในความสงบนั้นเมื่อมีความสงบมันก็มีความสุข ความสุขเกิดขึ้นจากจิตที่มันไม่กาะเกี่ยวผูกพันอยู่กับโลกกระทำทั้งแปดความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ที่จิตเกิดจากความคิดนี่เองคนเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะความคิดเวลามันเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่เข้าใจความคิดไม่เข้าใจตัวเองจึงเกิดการยึดมั่นถือมั่นว่าอ๋อความคิดเนี่ย มันเป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆเรามีความเห็นผิดเราไม่ปล่อยวางไม่รู้เฉยเพราะมันคิดขึ้นมาเนี่ยสังเกตดูนะความคิดเนี่ยมันไม่เท่าไรนะแต่เรื่องราวในความคิดนี่มันหลอกให้เราจุงแต่งไปยาวนานข้ามวันข้ามคืนคิดข้ามวันข้ามคืนโกรธข้ามวันข้ามคืนจนนอนไม่หลับเมื่อเรา ปล่อยจิตปล่อยใจให้เกาะเกี่ยวผูกพันกับความคิดนานๆจิตมันก็เหน็ดเหนื่อยกระวนกระวายในสภาพที่เป็นทุกข์ถ้าเราฝึกจลสติอยู่เนืองเราจะเห็นว่าความคิดเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนมันมีแต่เป็นเงาๆเป็นอาการที่มันกลุ่นอยู่ภายในจิตใจเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเราลองมีสติ รู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยวางปล่อยให้ความคิดมันผ่านไปอย่าไปแตะต้องอย่าไปทําอะไรรู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยไปบางทีเราต้องให้จิทธิศรีภาพมุมความคิดเขาบ้างให้เขาคิดขึ้นมาถ้าเขามีคิดเนี่ยเราจะไม่รู้จักตัวเราเองเลยนะแต่เวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องให้สิทธิเสรีภาพกับสติดูบ้างให้สติเนี่อรู้ทันเขาซะบ้าง แล้วก็มาลองเกี่ยวข้องกันปล่อยข้าผ่านไปถ้าเราไปบังคับไปยึดติดเนี่ยโอ้เราก็ผูกติดไปกความคิดมันเป็นกรรมของเรานะเราทําผิดเราปล่อยเข้า่านไปเฉยเฉยดีใจเราก็จะสบายจะสงบเราจะต้องฝึกบ่อยๆเราจะได้นอนหลับสบายๆไม่ถูกความคิดรบกวนหรือครอบงําโรคจิาาตโรคประสาททั้งหลายก็มาจากความคิดที่ไม่เลิกแล้วก็ยึดติดในความคิดนี่แหละหลวงพ่อเทียนท่านได้กล่าวไว้ว่า ถ้าเรามีสติเฝ้าดูความคิดโดยที่ไม่ทำอะไรความคิดไม่แจกแสงไม่ดังครับแค่รู้เฉยๆแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปจิตจะเป็นอิสระจากความคิดเป็นอิสระจากโรคจิตโรคประสาทอันนี้คือตัวปฏิบัติและท่านยังบอกไว้ว่าถ้าผู้ใดเห็นความคิดเท่ากับ เห็นต้นทางของปณิพานธ์เลยกันนะเห็นความคิดแต่ไม่ใช่คิดว่าเราเห็นนะความคิดส่วนหนึ่งผู้ที่เข้าไปเห็นความคิดส่วนหนึ่งมันคนละขั้วคนละด้านกันอันนี้คือเห็นความคิดเมื่อเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆเราก็มีโอกาสที่ถึงปณิพาน์ได้เริ่มต้นแค่มีสติเห็นความคิดแล้วเราก็ถึงที่สุดคือถึงปณิพาน์ แต่ก่อนจะเห็นความคิดนั้นเนี่ยเรายาข้ามขั้นเราต้องฝึกเจริญสติมาก่อนเรายังไม่มีสติผู้เห็นเลยต้องสร้างสติผู้เห็นมาก่อนจเจริญสติให้มากๆดูกายเคลื่อนไหวพอดูกายเคลื่อนไหวดํานานแล้วก็ดูใจที่มันคิดนึกเป็นขั้นตอนดูกายดูจิตดูรูปดูนามนอันนี้คือเบื้องต้นแล้วต่อไปเนี่ยสติที่ดูกายดูจิตอยู่เสมอๆ เ, เนี่ยจะนาพาจิตใจเราเนี่ย ไปสู่พันธิพานิย์เราต้องขยันนะเราต้องสร้างเราต้องทำเราต้องมีความเพียรมีความอดทนทนเพื่อใครก็เพื่อตัวเราเพียรเพื่อตัวเราอดทนเพื่อตัวเราดับทุก์เพื่อตัวเราไปาคิดว่าไม่ต้องทำมากก็ได้การเจริญสติทำเมื่อไหร่ก็ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ใดที่เรายังสแสวงหาเงินทองมากมา ก, มา ก, ก็เพื่อใช้จ่ายแล้วก็เราต้องสแสวงหาสติ เพื่อใช้จากเช่นเดียวกันเพราะอะไรคิดดูเถอะในแต่ละวันเนี่ยเราทานข้าวสามมือ้อคิดเป็นเงินเท่าไรไม่มากแต่เราทำไมต้องหาเงินมากมายไม่เรียกจอกจากสิน้นแต่ว่าสติเนี่ยเรามองข้ามไปแต่ละวันเนี่ยเรามีความทุกข์มากมีอารมณ์มากมีความคิดมากเท่าภูเขาไปหาสติ แค่เดินซ้ายแคน่นี้มันไม่เพียงพอแล้วเมื่อเราต้องการเงินมากๆเราก็หามากขยันหามากไม่เป็นไรถ้าเรายังมีความทุกข์ยังมีความคิดมากเราต้องเจริญสติให้มากๆเพื่อให้ทันกับความคิดเอาไว้ลุยโลกคือโลกกรรมและก็โลกของความคิด